เวลาที่เราฟังมาเรียนมาความรู้ที่เราได้ได้ฟังได้เรียนมา น, นี่ก็จะเป็นสัญญาตร้ท น, นี้จากการที่เป็นสัญญานี้เราจะเอามาค่อวนวิจัยด้วยปัญญายังไงที่ไม่ให้มันกลายเป็นทิฐิแล้วติดในความเหม็นตรนี้ เข้าใจคำว่าสัญญาไหมครูแก้ว เ, เข้าใจได้ลองอธิบายให้ฟัง<ใ>นหน่อยนะไม่อธิบายคาว่าสัญญาให้ฟังเลยสัญญาเป็นหนึ่งในฐานเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเป็นตัวที่สัมผัการจําได้การจําได้คือจําสีได้จํากลิ่นได้จํารสได้เสียงจําเสียงได้ ะญญอะรกรณ็อธิบายฟัถ้าสัญญานั้นเนี่ยครับสัญญาเนี่ยจะจะเกิดขึ้นขึ้นจากอายตนะ n a ก็คือตาหูจมูกิ้นกายแล้วก็ใจก็คือว่าไอ้หกอย่างนี้มันจะไปสัมพันธ์กับโลกเมื่อเราไปมนุษย์เราใช้อุปกรณ์ทั้งหกอย่าง ไปสัมพันธ์กับโลกมันก็เกิดเป็นสัญญาใช่ไหมอาจารย์ประมวลประมวลที่มาผมประมวลเองนะครับอาจจะผิดบ้างพอไปสัมพันธ์กับโลกที่มาอย่างนี้ก็เกิดเป็นการจําได้หมายรู้เห็นสีเห็นสีเนี่ยแล้วก็อันนี้ตอนแรกสีนี่ยังเป็นบริสุทธิ์อยู่มันยังเป็นความจําบริสุทธิ์อยู่ก็แค่เป็นสีขาวสีขาวต่อไปแล้วก็ปรุงแต่งเรื่อยๆ ปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยปรุงแต่งว่านี่มันคือโต๊ะจําจ้จำเป็นบััญญติขึ้นมาว่านี่คือโต๊ะนี่คือแก้วทั้งที่จริงๆแล้วมันฟ้าเราเข้าไปเห็นเป็นสีใชครับกายเข้าไปสัมผัสแข็งอ่อนอแต่สัญญาเมื่อกี้คาถามของโยมบีก็คือจะทํายังไงให้ ให้สัญญาที่เขาเราเข้าไปรู้แล้วก็ไม่ยึดติดกายเป็นทีถ่ถิ่คือถ้าในในความหมายที่สงสัยเช่นเราได้ยินได้ฟังมาว่าไม่มีสัตว์บุตรเรามีความเข้ใจแล้วว่ามันเป็น มันเป็นตัวสภาวะธรรมที่ประกอบกันขึ้นเหมือนกัน <c oughs> แต่การที่จะวิจัยแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ใช่ติว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะไปท่องว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็จะละเลยกับการดูแลหรือการปฏิบัติต่อตัวเราและคนรอบข้าง ด้วยทิฏฐิคือยึดว่ามันไม่ใช่ของเรานะไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าไปใส่ใจ mm hmm. กับการที่เราจะเอาความรู้ที่เรารับฟังใครครวรแล้วเชื่อแต่ยังไม่เห็นประจักษ์เองว่ามันไม่ใช่อันนี้มันจะแยกยังไงที่ไม่ให้ติดแล้วกลายเป็นทิฏฐิที่เราจะยึดกับอ๋อประเด็นคือตรงนี้นะว่าสัญญามีสองส่วน มีทั้งส่วนของกุศลสัญญาและอกุศลสัญญาใช่ไหมที่จริงสัญญามันเป็นคำกลางมันเป็นสภาวธรรมที่มันเข้าได้ทั้งสองส่วนเมื่อสักครู่ที่พระท่านพูดถึงว่าเป็นสัญญาขันเนี่ยลักษณะของเขาก็คือจํากิจของเขาก็คือการทําเครื่องหมายไว้นการทําเครื่องหมายไว้ส่วนเหตุใกล้ของเขาก็คืออารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งอ่าเป็นที่ให้สัญญาเขามีจําไว้ได้หมดเลย ไม่ว่าจะสีถ้าจําในสีเขาเรียกรู่ประสัญญาจำในเสียงเขาเรียกวัดธาสัญญาจําในกลิ่นเขาเรียกคันธาสัญญาจําในรสเขาเรียกวัารสสัญญาใช่ไหมจำในโผดผ้าเย็นร้อนเขาเรียกผดพ้าสัญญาจาในเรื่องราวต่างๆทั้งที่เป็นปรามาสและบัญญัติทั้งหมดเหล่านั้นก็เรียกธรรมสัญญาว่ากันไปสรุปก็คืออารมณ์ทกอารมณ์เนี่ยเป็นที่เป็นเหตุให้สัญญาเข้าไปยึดหมายไปทําเครื่องหมายไว้ได้หมดเลยทีนี้สัญญา zą, ก็มีลักษณะคือการทําเครื่รรองหมายไว้ นี่มนุษย์เราก็จะมีสองส่วนนี้แหละเราจะมีเรื่องการจำมานะจำในเรื่องราวต่างๆแต่การจําในเรื่องราวต่างๆจําสีเสียงกลิ่นรสพดผ้าทั้งหลายเหล่านี้มันก็คือการจําแต่ว่ามันไปมีอิทธิพลตรงไหนตรงที่สัญญามันไปเกิดร่วมกับอะไรถ้าสัญญาไปเกิดร่วมกับโลภะมันก็เลยจําสีมาด้วยความโลภสัญญาไปเกิดร่วมกับโทสะมันก็เลยไปจํามาด้วยความโกรธด้วยความเครียด ถ้ามันไม่เกิดร่วมกับโมหะมันก็จําด้วยความพุ่งสร้างจําด้วยความรังเลสงสัยมันไปเกิดร่วมกันกับทิฏฐิมันก็จํามามันก็ยึดมั่นถือมั่นมันไปเกิดร่วมกับมานะก็จําว่ายกตนถือตนว่าตัวเองเป็นคนจําได้ไปเกิดร่วมกับตัณหามันก็จําด้วยความทยานอยากอยากได้อยากเด่นอยากเอาก็ว่าไปถ้ามันเกิดร่วมกับการมตันหามันก็ไปจําว่าอยากจะได้สีเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์หน้าปราถนาหน้าใข่หน้าชอบใจชวนให้รักชักให้ไข่พาใจให้กําหนัดมันก็ไปเลยทีเนี้่นะมันก็จํามา ถ้าเกิดกับปฏิฆาสัญญามันก็จําก็โกรธเกลียดบ้างพยาบาทบ้างมีหิงสาสัญญามันก็จําเสร็จพวกก็อยากจะเบียดเบียนขึ้นมาเลยนะมันแล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดร่วมกับอะไรมันก็กลายเป็นว่าสัญญาฝ่ายกุศลก็มีเช่นสัญญาที่เป็นเนคขมัสัญญาเนี่ยจําหมายในกรณีที่เราอยากจะให้อยากจะสละอยากแบ่งปัน เ, ออเราอยากจะทําสิ่งที่ดีๆจําคนนั้นคนนี้ทั้งหลายแล้วก็แล้วแต่เราอยากให้สิ่งดีๆกับเขาพูดดีๆกับเขาทําสิ่งที่ดีกับเข า, ดดเข า, เขาใช่ไหมถ้าเป็นเกี่ยวกัพยาบาทสัญญาก็จําหมายในการที่เกิดความรักปรารถนาดีเอื้อทอนถ้าวอาวิหิงสาสัญญาก็กรุณาเขาเราจําได้เราจํเาจเนี่ยเหมือนครูแก้วไปเห็นคนที่เป็นดาวซินโดรมโอ้สงสารเขาอะ สงสารเขาอยากจะไปช่วยเหลือเขาอยากจะไปสอนให้ข้อมูลความรู้เขาอย่างนี้เขาเราียกเขาเป็นอาวิหิงสาสัญญาใช่ไหมแล้ว เ, เกิดเมตตาเขาอันนี้เป็นอาพยาบาทสัญญาอยากมีของไปให้เขาอันนี้เป็นเนคคำว่าสัญญาเนี้ยมัก็แล้วแต่ไอความจําทั้งหลายเหล่านี้มันแล้วแต่ว่าเราจะไปเกิดร่วมกับประเภทสังขารธรรมกลุ่มกุศลเรื่ อ, อกุศลถ้าสัญญาไปจําในฝ่ายของอกุศล เขาเรียกอสุสุชนสัญญากิเลสสัญญาหรือปะปันจะสัญญาไอ้ปะปันจะสัญญามันกลายเป็นสัญญาที่เป็นไปกับตัณหามันทิขิเออเนี่ยเป็นปัญหาเลยจําแบบเนี้ยถ้ามันไปจําหมายว่าคนคนนี้เคยด่าเราแล้วมาร์คเครื่องหมายพอามาร์คเครื่องหมายคนคนี้เคยประทุษร้ายเราใช่ไหมโอ้ไม่ด้องไปมาร์คคนนี้เป็นพยาบาทสัญญาเลยนะว่า คนคนนี้ใช่ไหมคนคนนี้เขาเคยทําความเสียหายให้กับเราคนคนนี้เขากําลังทําความเสียหายให้กับเราคนคนนี้จัดทาความเสียหายให้กับเราจะคิดอย่างเงี้ยเครียดไหมคนคนนี้เคยทําความเสียหายให้กับบุคคที่เรารักคนคนนี้กําลังทําความเสียหายกับคนที่เรารักคนคนนี้เคยทําความเสียหายจัดทาความเสียหายกับคนที่เรารัก ถ้าไปผูกสัญญาไว้อย่างนี้ปุุงแต่งใจให้เครียดไหมคนคนนี้เคยทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดคนคนนี้กำลังทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดคนคนนี้จะทำประโยชน์ให้กับคนที่เราไม่ชอบเครียดไหมเนี่ยสัญญาลักษณะแบบนี้เนะียาเกกลุ่มพยาบาทสัญญามีเยอะไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยมนุษย์ก็ไม่ฉลาด พอไม่ฉลาดก็เลยเป็นมาร์คสัญญาปืดปืดปืดไว้บางทีทำมาร์คซําอย่างใหญ่เลยมันก็จําแม่นเนี่ยตอนนี้จําแม่นหมดไม่ใช่จะเห็นหน้าคนนี้มันแค่หน้าตาคล้ายกันมันยังระแวงนั่นดีระแวงนะใชอไหมละ่ะเคยไหมมีสัญญาเนี่ยบางคนก็มีกลุ่มพวกกรรมสัญญาไว้เยอะประเภทที่เคยมีเรื่องราวทั้งหลายที่มันรัดลึงใจ มันชื่นใจอ่ะก็เลยอยู่ณปัจจุบันนี่แหละก็เลยโหยและห้อยถึงอดีตแล้วก็กุงแต่งนอน้วก็ได้นอนก็นั่งก็ได้แล้วก็คิดจินตนาการไปเราเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันเที่ยวน้ําตกด้วยกันเที่ยวภูเขาด้วยกันเราเคยคุยกันเราเคย ไปกินอาหารด้วยกันเคยไปจัดกิจกรรมด้วยกันเคยไปปั้นดินนั่นด้วยกันอะไรต่างๆปัจจุบันนี้สิ่งเหลือใช้หมดแล้วโอ้โหสะดุ้งเลยนี่เขาเรียกกามสัญญามีไหมเอ่อจินตนาการเขาเรียกว่าหวยละห่ยไงวนละห่ยถึงอดีตเพ้อหาอนาคต ไม่แข็งแรงไม่มั่นคงในปัจจุบันเขาเรียกงอนแงนคลอนแครในปัจจุบันคล้ายๆอยู่อย่างหลักร้อยเลยในปัจจุบันเพราะอดีตดึงไปแล้วอนาคตจะดึงไว้อีกปัจจุบันก็เลยอยู่อย่างง่อนแงนคลอนแคเ น, นี่คสัญญาสัญญาเป็นแบบนี้แหละชีวิตเป็นอย่างนั้นไหมจะทำอะไรขึ้นมากันนะี่ จินตนาการอ น, นาคตแล้วก็ะทำบางทีก็หหนแล้วห้อยในอดีตก็ทำเรื่องเศร้าโศกก็มีเรื่องกกรองัดลึงใจก็มีนะก็จินตนาการผ่านออามา <c oughs> ปั้นหร <c oughs> แล้วก็บางทีก็ปั้นไปเรื่อยๆ เ, เหมือนคนไร้หลักลอยงั้น <c oughs> นะเพราะว่าอดีตดึงไปเยอะอานาคตก็ดึงไปเยอะแล้วก็อยู่ ทำไปดูเหมือนว่าจะได้ไม่ไมเหงาอ่ะนะจะได้ไม่เป็อ น, อนแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยเผยเผยดีครคนอื่นเขาเห็นแล้วก็ชอบใจเฉยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ท, ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราทั้งๆที่เราทําแบบเพ้อเจอเลื่ อ, อยๆอะ่ะไอคนดูก็มึนมันมึนนๆไอคนดูมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหม มันก in ็เลยทําแบบศิลปินกันกลองออกมาแล้วแต่จริงไม่ได้กั้นกลองแล้วมันมันคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วแต่แล้วแต่มันจะพาไปว่าันนี้ยไม่ได้คิดอะไรแล้วทําออกมาไปเสร็จสรุปก็คือฟ้งซ่านนี่แหละมันทํำจากฟงซ่านนี่แหละเองพราศิลปินทั้งหลายเหล่าเนี้เหมือนคนเขียนหนังสือเอามาไปเขาบอกโหยคนคนนี้เขียนดีมากมันก็ไปดู เฮ้ยย้อนติงนี่นี่ฟงสั้นนีวมันดังได้ไงอ๋อคนคนประเภทนี้มันเยอะในโลกใบนี้ฉะนั้นถ้าหากินกับคนประเภทนี้มันมันอยู่ในโลกที่แบใบนี้ได้คนบางคนเขาเครียดมากเขาก็ระ บ, บายออกมาคนเครียดมากโกรธมากมนคน ผิดหวังระบายออกมาโกรธระบายออกมาฟุงา้งซ่านระบายออกมาเขาระบายออกมากลายเป็นกลายเป็นกลายเป็โอ้โหเป็นภาพที่มีค่ามากคนที่เขาระบายมานั่นออกมาทั้งหลายถ้าเราไปที่เราไปที่กัมพูชาเราจะเห็น <laughs> เขาเรียกอะไร เ อ, อนครวัดนครถมนั่นแหละกลุ่มบกฟุ้งซ่าน ม, มันก็จินตนาการเพื่อเชอนครวัดนครถมเขานี่เขาก็ให้ฉันไปดูฉันก็ไปดูโอ้ โ, โ, อโหมู่สัตว์นี่มันติดกันนั้งก่ามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญามันอยู่ในนี้นี่เองเนี่ยโอ้โหอย่าแปลกเลยทำไมหมูสัตว์มันถึงติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสังสารวัฏ เพราะมันเป็นอย่างนี้ดิฉันเข้าใจันแล้วใช่แล้วพอจะเข้าใจยังมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละก็ือสัญญาสัญญานี่แหละมันมีอิทธิพลมากในใจของสัตว์โลกคนที่มีสัญญาวิจิตมากก็จะสามารถทำอะไรได้อย่างวิจิตมาก ไอ้สัญญาวิจิตเนี่ยนะมันสัญญาวิจิตเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยเกิดตันหาวิจิตโอ้โหปรุงแต่งอย่างมากไอ้ตันหาวิจิตมันเลยเป็นเหตุทําให้มีการกระทําที่วิจิตเห็นไหมการกระทําที่วิจิตเนี่ยมันเลยมามันเลยกลายเป็นว่าการกระทําออกมาทางกายที่วิจิตการกระทําออกมาทางวาจาที่วิจิตการคิดที่วิจิต มัาจากตัณหายังไม่วิจิตตัณหาก็้ามาจะสัญญาใช่ไหมสัญมาจสัญญาเข้ามาจะจิตนี่แหละจิตวิจิตเนี่มาจับสัญเป็นสัญญาวิจิตใช่ไหมสัญญาวิจิตก็ทําให้ตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตก็ทําให้กรรมวิจิตกรรมวิจิตก็ทําให้กําเนิดผลทั้งหลายที่ออกมาโหวิจิตหมดเลยถึงเห็นอาจารยเอาคำลาออกมาให้กลางให้เห็นได้ชัดมันวิจิตมากที่สะดานเนาะ ในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มันมีบุคลิกภาพที่วิจิตออกมาทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไอ้นี่สัญญามาจากตัณหามาจากกรรมพอวิจิตออกมามันออกว่าบางคนก็น่าเครียดบางคนก็น่ากุ้มบางคนโอ้โหสารพัดบางคนก็ออกมาท่าทางอย่างนั้นท่าทางอย่างนี้สารพัดออกหมดวิจิตหมดในการกระทำทั้งหลายวิจิตพิสดารทั้งหลายเดินเดินก็วิจิตนั่งก็วิจิตนอนก็วิจิตทั้งหลายเลยมาใหญ่นี่แหละ มันจะกรรมกรรมก็มาจะตัณหาตัณหาก็มาจกสัญญาเพราะเป็นมารเครื่องหมายเขาไว้ดิยังจะวิจิตอีกเยอะเห็นหรือยังชังปันเห็นตัวเองไยเห็นแล้วนีพอการจะทำวิจิตเนี่ยกำเนิดมันเลยวิจิต สัตว์นรกเนี่ยวิจิตมากเพราะกรรมมันวิจิตมันตกแต่งไม่มีร่างกายวิจิตมากสัตว์สัตว์ดิรดิฉานก็วิจิตมากไม่รู้กี่ล้านล้านเผ่าพันธุ์นั่นแหละมาจากกรรมของเขาที่วิจิตเขาจึงได้อัตภาพที่วิจิตอย่างนั้นเปรตก็วิจิตมากมีหลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็หลายเผ่าพันธุ์วิจิตมากเทวดาก็วิจิตมากคมก็วิจิตมากบรรดาสัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาลวิจิตมากเพราะกรรมเนี่ยวิจิต ไอ้กรรมวิจิตก็มาจากตันหาวิจิตตันหาวิจิตก็มาจากสัญญา ม, ม า, ส, ญญาสัญญาวิจิตไปสัญญาวิจิตก็มาจากจิตเองโอ้แล้วจะทายัางไงที่จะให้มันเป็นผู้สนสัญญาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยให้คนดอด้าวแต่นี้อันนี้นี่พอรู้แล้วเนะย าใจเริ่มเห็นนะ น, นี่ก็ไม่มีเวลาลงรายละเอียดถ้ามีเวลาลงรายละเอียดก็ต้องไปจับไปดูสัตว์ต่างๆนะตามทะเลบ้างตามแหล่ต่างที่ดูเขาวิจิตเนี่มันมาจากการกระทําที่วิจิตยังไงมาจากตัณหาที่วิจิตยังไงมาจากจิตที่วิมาจากสัญญาวิจิตยังไงมาจากจิตวิจิตยังไงใช่ไหมมันจะไล่เรียงมาตามลําดับอย่างเงี้ยมันจะเห็นโอ้โหลูปร่างประหลาดประหลาดที่วิจิตพิกลพิการไม่มีใครทําให้เขาเลย ไอ้กรรมเนี่ยไอ้กรรมเองเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นใหญ่เป็นอิทธิพลใดๆหรอกตัณหาเป็นตัวปูงแต่งเขาเนี่ยความที่เขาถึงทํากรรมที่วิจิตใช่ไหมตัณหาเองเขาก็ไม่ได้มีอะไรนั่นหรอกเพราะไอ้สัญญานี่แหละเป็นปูงแต่งเขาให้มันวิจิตพิสดารอย่างนี้สัญญาเองก็เพราะว่าเขาเกิดร่วมกันกับจิตใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้แหละขเข้าใจคาวิจิตไหม ถ้ามองให้ดีก็ศูนทรียะเงลดงามแบบนั้นเ ม, มองเห็นปลาสวยเออนั่นแหละที่ไหนได้โอ้โ ห, โหมันมันมาจากกิเลสที่มันวิจิตบรรจงมากที่จริงชี้ไปที่ตัณหาวิจิตมันไม่ใช่ตัณหาตัวเดียวนะมีทั้งอวิชชาด้วยความไม่รู้มีทั้งอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นด้วยมาจากกรรมด้วยใช่ไหมมาจากการสภาพการปรุงแต่งไอตัวสัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวปรุงแต่งจิต เขาเรียกจิตตะเขาเรียกจิตตะสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิตในะสัญญาเนี่ยปรุงแต่งอย่างมากเลยใครที่มีความจําในเรื่องไม่ดีก็จะปรุงแต่งจิตไม่ดีใครมีความจําที่ดีก็จะปรุงแต่งจิตในเรื่องที่ดี <c oughs> ใช่ไหมและและบุคคลที่บุคคลที่มี ประพันจะสัญญาณคําว่าประพัน์จะสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาที่เกิดร่วมกับตัณหามันมันมันเกิดร่วมกันพอเกิดร่วมกันแล้วมันก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเอื้อซึ่งกันและกันเอาถ้ามันเกิดร่วมกับตัณหามันจะปุงเรื่องอะไรมันก็ปรุงเรื่องการยินดีเพลิดเพลินทยานอยาก ใช่มแต่ถ้าเป็นการตัณหานี่นะมันก็ทยานอยากทยานอยากใช่ไหมทยานอยากในรูปก็ไปปรุงแต่งรูปปรุงแต่งเสียงปรุงแต่งกลิ่นปรุงแต่งรสปรุงแต่งผลิภัพฑ์ปรุงแต่งจิตใจให้ไปยินดีไปเพลิดเพลินไปยืดติดไปทยานอยากอยากกินได้สีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นอหมอมๆรสอร่อยสัมผัสที่ น, นี่นี่มันปรุงแล้วเพื่อจะเอามาครอบครองและก็ต้องการให้ สีเสียงกินรถพลิตภหรือสภาพที่ตัวเองได้ไปว่าบ้านทรัพย์ยศบุตรภรรยาอยากให้มันอยู่ให้ถาวรให้มันมั่นคงถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการก็อยากแก้มันพ้นไปให้มันพากไปอย่างให้มันวิบัติไปใช่ไหถ้าเกิดร่วมกับมานาเป็นยังไงอันก็ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนตนตนตนสูงกว่าเขาก็สำคัญตนว่าสูง สูงกว่าเขาสําคัญตัวนว่าเสมอสูงกว่าเขาก็สําคัญว่าต่ํากว่าเขาเสมอเขาสําคัญตัวว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาสําคัญตัวเสมอเขาเสมอเขาสําคัญตัวว่าต่ํากว่าเขาต่ํากว่าเขาก็สําคัญว่าสูงกว่าเขาต่ํากว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขา่่่ําาาาากววเเเคสสัญมอนี่มันเกิดร่วมกับสัญญามันก็ไปสําคัญอย่างนี้แหละถ้ามันเกิดร่วมกันกับทิฏฐิมันก็จําจําเรื่องอะไรก็เห็นผิดในเรื่อง มันเห็นผิดมันเห็นผิดอย่างหยาบก็ได้อย่างกลางๆก็ได้พระจําว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมันจําว่ามีพระเจ้าเลยจําว่าเที่ยงเนี่ยมันก็จําไำเลยยึดเห็นว่าเที่ยงพอไปจําว่าเที่ยงนะมันมีนิจจะสัญญาขึ้นมาเพื่อเที่ยงก็จําว่าเที่ยงสุภาสัญญาจำว่าสวยก็สวยขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้เห็นตามนั้นความจําไปเห็นยังไงก็พอไปจําอะไรมาก็จะเห็นอย่างนั้นมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นด้วยความยึดยึดติดถือมั่น ใช่ไหมเหมือนจําว่าคนคนนี้คนคนนี้เขาดีกับเราโอ้โหจำเย็นแน่แหละ ท, ทั้ทงทั้ดีทั้งทั้งดีเขาไม่ดีกับเราก็ใช่ไหมเขาไม่ได้ไปดีได้ตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้หรอกแต่เราไปจําว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่ดีกับเราโอ้โหไม่ดีหมดเลยมันไม่มันไม่อยู่กับความจริงหรอกมันอยู่ความจํากับอยู่ความเห็นจริงไหมมันก็หลอกหลอก ปงแต่พอมองเ ห, เนเห็นยังพ ป, ปันกับสัญญาเขาเรียกว่ากิเลสไอตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาที่เป็นตัวปั่นหรือว่าที่ทําให้เนิ่นช้าบางทีทำให้เนิ่นช้าทําให้เนิ่นช้ามันมันมันติดอยู่หลงอยู่มันไปไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นตัวทําให้เนิ่นช้าในสังสารวัฏเขาก็เรียก เขาเรียกปะปนจะทำปะปญจะสัญญาทำที่ทําให้เนิ่นช้าสัญญาที่ทําให้เนิ่นช้าสัญญาที่ทําให้ออกจากวัฏตะไม่ได้ออกจากสีเสียงกลิ่นรสผลตพะไม่ได้ถามว่าถ้าเราถ้าเราไปมีการมสัญญาไปจําในสิ่งที่มันสวยสวยงามแล้วออกจากมันได้ยากไหมยยากถ้าไปจํากับความกโกรธแล้วออกจากความกโกรธยากไหม จำก็คิดพยาบาทใจกินก็ออกยากออกเนี่มันทําให้เนิ่นชา้าแต่นี้มันปั่นใจของเราปั่นใจหมุนใจหมุนความคิดของเราให้จมอยู่กับเรื่องนั้นแหละแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินออกจากมันได้นี่มันจำจำมองเห็นยังอ่านนี่เป็นพูดถึงสัญญาฝ่ายไม่ดีแล้พมันก็ทํากรรมได้ไม่ดีก็ว่ากันแล้วก็จมอยู่ในวัฏจักมีอิทธิพลมากทีนี้ ถ้านในพระศาสนาเข้ามาสอนเรื่องอะไรกุศลสัญญาใช่ไหมวิชาภาคยิสัญญาเออสัญญาที่ชำระกิเลสได้ด้วยนะ เ, ยเป็นกุศลสัญญาพวกไอ้กุศลสัญญาเนี่ยถ้าหากว่าคำว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ของสติสติมีคาว่า อภิราประลักนาเนมีการไม่หลงลืมเป็นลักษณะสัมโม ส, สัมโมสารสาสัมโมสาราสาก็คือมีการมีการไม่หลงมีการไม่หลงเป็นกิจอารักขาปยุปทานาก็คือมีการรักษารักษาอารมณ์รักษาเช่นว่ารักษากุศลไว้เนี่ยรักษาจิตไว้ประคองจิตไว้ให้อยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ไม่ให้หลุดลอยไปนี่ก็เรืออารักขาปะปัจจุประฐานะเป็นผลทีละสัญญาประทัดฐานามีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ประทัดประทัดฐานาก็แปลว่าเหตุใกล้ของสติที่เหตุใกล้ของสติก็คือการมาร์คเครื่องหมายการมาร์คเครื่องหมายทีนี้การมาร์คเครื่องหมายมีสองส่วนนี่ ถ้าไปมาร์กเครื่องหมายไม่ดีมันก็เป็นเหตุใกล้ของมิดฉาสติการระลึลกที่ไรบาปเกิดทุกทีใช่ไหมแต่ถ้าไปมาร์กเครื่องหมายที่ดีๆไว้ก็เป็นเหตุใกล้ของสติทีนี้อ่าวเคยได้ยินคําว่าอั น, นิี้อันนี้จะสัญญาไหมอันนี้จะสัญญาความจําหมายว่าไม่เที่ยงใช่ไหมทุกขสัญญาความจําหมายว่าเป็นทุกข์ อสุภาษสัญญาความจำหมายว่าไม่งามอ น, นัตตสัญญาความจำหมายว่าไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมอาทีนั้ว่าสัญญาความจำหมายว่าเป็นโทษอนิโรสถสัญญาความจำหมายว่าเป็นว่าเป็นสภาพที่ดับเวลาคาสัญญาความจำหมาจำหมายว่าควรสลากออกนี่ยจนถึง อ น, นะโลกเกพิรตะสัญญาความจำหมายว่าไม่น่ายินดีไม่น่าเพิดเพินเอนเอทำไมเขาต้องให้สัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นอาการไปจำใหม่ๆนะไปจำฟังคำสอนไปพิจารณาตามคำสอนอย่างยกตัวอย่างเช่นนะบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดฟังแล้วเข้าใจปุ๊บจำได้เลย พอเราจําว่ามันไม่เที่ยงจําว่ามันไม่งามจําว่ามันเป็นทุกข์จำว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจำจำจำเกิดความเข้าใจมันเพื่อกูลอะไรเพื่อกูลสติต่อมาสติก็ไปดึงข้อมูลนี่มาดึงมาแต่มันไม่เที่ยงยังไงให้ปัญญาตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบจากที่จําไว้นี่แหละใช่ไหมไอ้ที่จํานั้นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องใช้สติดึงข้อมูลนั้นมาว่าเออมันไม่เที่ยงจริงไหม มันเปลี่ยนแปลงจริงไหมปู่บอปัญญาไปตรวจสอบไปวิจัยไปแยกแยะเห็นไหมพอเห็นก็จริงจริงมันเกื้อกูลต่อสติไหมเกื้อกูลต่อปัญญาไหมความจําแบบนี้ดีหรือไม่ดีนเบื้องต้นดังนั้นการจําในเรื่องที่มันถูกต้องดีงามเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่เห็นจริงไงแต่มันเกื้อกูลมากเกื้อกูลแก่ต่อสติปัญญาเช่นข้อกุมกุศล ส, สัญญาทัญญา้งหลายอ่ญญาอย่ญญางยกตัวอย่างเช่นสร้างกุติ ถวายแด่สงมีพระเจ้าเป็นประมุขสร้างที่อยู่ใช่ไหมสัญญาจําได้หมดไหมพอจําได้หมดปุ๊บโอ้โหเกื้อกูลแล้วไม่เกื้อกูลในนี้ยนักเข้าพอไปเห็นบ้านแต่ละหลังมันจำได้หรือยังจำได้แล้วโอ้โหฉะนั้นจะมองไปคิดถึงบ้านในโลกนี้ทั้งหมดมันเกื้อกูลบอกว่าเราได้ถวายวิหารและทานนี้แด่สงแล้ว จะไปเห็นบ้านที่ไหนมันก็จําได้หมดเพราะว่าเราได้กุศลสัญญาใช่ไหมความจําหมายว่าเป็นว่าเราได้น้อมถวายแก่วิหารฐานนี้แด่สงเสนาสนาสานนี้แด่สงแล้วโอ้โหบ้านนี้เราก็ได้ถวายแล้วนี่ก็ถวายแล้วเพราะเราก็เคยได้ว่าถวายแล้วไงพอเห็นถนนปุ๊บโอ้จะถนนที่ไหนในโลกใบนี้ได้สัญญาอย่างเราได้น้อมถวายสงเพราะเราเคยสร้างมาเขาเคยถวายมาเราเคย สร้างพื้นแผ่นดินนี้เราพยายางราดยางนี่ถวายแด่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเราได้ทําทางเป็นเส้นทางอย่ามาชิมาปฏิปทาดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เราจะต้องประกอบองค์มากเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้แน่นอนเห็นต้นไม้โอ้ยเราเคยถวายทําต้นไม้ถวายวัดปลูกต้นไม้ถวายแเทพพุทธเจ้าเป็นต้นจําได้หมดไหมโอ้เห็นต้นไม้ต้นไหนไม่สําคัญแล้วสัญญามันจำได้ล็อกไว้หมดแล้วนี้เห็นหญ้าโอ้เราเคยทําสนามหญ้าบูชา เห็นดอกไม้อุ้ยเราเคยปลูถวายพระร า, นาตนัดดาเห็นเรือโอ้โหเราเคยถวายเดชสงเห็นรถอุ้ยเราเคยได้ถวายเดชสงมีพรุทธเจ้าเป็นประมุขเห็นผ้าเห็นทั้งหลายสัญญาทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีเลยที่เราไม่เคยเถวายพระราชนาาัดาเห็นอย่างนี้เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลปลอดภัยไหมอย่างนี้เป็นต้นมองออกไหมเนี่ยเริ่มยากเลยจ้ะ อ้าวพเห็นหนังสืออย่างนี้ปุ๊บเนีเราเคยสร้างหนังสือถวายแต่งสงไหมเคยไหมน่าต้องรีบไปทําไว้ต้องไปมาร์กสัญญาไว้ใช่ไหมล่ะเออฉันเห็นอะไรฉันฉันฉันไม่มีเลยที่ฉันไม่เคยถวายอ่ะมีเลยอ่ะเห็นยานี่ปั๊บฉันก็โอ้เราเราเคยถวายยานี่แต่งสงมันจําได้หมดน่ะไม่มีว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยจำได้หมด โตเอ๋ยเก้าอี้เอ๋ ย, อ, ย, อ, ยอะไรเอ๋ยจำได้หมดได้ไหมยังมองเห็นได้ยังจำได้หมดไหมดังรถไปเห็นถนนโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นรถโอ๊ยตื่นเต้นเราได้ท้อมถวายหมดเลยนะชื่นใจหมดเพราะสัญญาเราเรา mark สัญญาไว้หมดไงแล้วเราน้อมถวายได้หมดเราคิดได้หมดนี่ยังไงเป็นประโยชน์อ้าวต่อไปที่นี่เห็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตนะพอไปเห็นสิ่งของที่มีชีวิต <c oughs> ถามว่ายังเห็นโยอมเข็นมาร์คสัญญาไว้เลยเขนมาร์คสัญญาหนึ่งการมสัญญาไม่มาร์คแต่มาร์คได้คมารสัญญาให้ความปลอดภัยในชีวิตมาร์คอภิยบบาทสัญญาเอาอินส่าสัญญาจะให้ความปลอดภัยในชีวิตอวขอให้ยมมีอายุยืนมีความสุขขอให้ยมเป็นผู้บริบูรณ์ได้รัพย์ขอให้ยมมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้นเนี่ยเห็นชีวิตทุกชีวิตฉันทําสัญญาไว้หมดใช่ไหมว่าหนึ่งถ้ามีโอกาสให้วัตถุทานให้วัตถุทานมีโอกาสให้อภัยทานให้อภัยทานให้ความปลอดภัยในชีวิตเป็นต้นมีโอกาสให้ธรรมทานก็ให้ธรรมทานไม่มีใครเลยไหมถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องที่เห็นแว บ, บเนี่ยฉันผูกสัญญาไว้หมดเลย เดี๋ยวน้นะสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือมีชีวิตเนี่ยฉันทํากุศลสัญญามาไว้หมดกลับมาเห็นอีกจะเห็นณนที่ไหนอัตภาพใดขอให้กุศลสัญญาของเราของข้าพเจ้าจงแข็งแรงและมั่นคงจงจากกุศลทำสัญญาธรรมาเป็นปัจจุงเป็นปัจจัยแก่วิชาภากิจสัญญาคือสัญญาที่เป็นปัจจัยต่อการชํำระ ก, กิเลสละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดด้วยถิดเราเลยตั้งไว้ขนาดนี้ ปอดภัยไหมมันตั้งไว้อย่างนั้นโอ้ไม่ไม่ไม่สะทกสะท้านเลยในการเขีนสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะเราเก็บกุศลได้หมดเห็นไหมคิดเกินความเป็นจริงหรือเปล่านี่เขาเราียกคิดตามความจริงเพื่อกูลต่อชีวิตจิตใจไหมทําให้จิตได้คุณภาพไหมได้สมรรถภาพไหมได้ความสุขไหมได้ปัญญาไหมโอ้โหได้หมดเลยแล้วมเขียนนี่อ่ะนี่สัญญา นั้นตรงนี้ก็ต้องปลูกสัญญาเข้าไว้อเห็นสุนัขคิดอย่างไงได้ทําสัญญาไว้ยังวุ้นน่ารากัก <c oughs> น่ารักใช่ไหมคิดอย่างนั้นว่ะ <c oughs> อย่างนั้นที่เป็นกรรมมาสัญญาโกรธเขาที่เขามารบกวนเราเป็นพยาบาทสัญญาคิดใหญ่เขาพ้นพ้นไปเป็นวิหิงสาสัญญา อย่างนี้สัญญาไม่ดีเป็นการมาร์คเครื่องหมายไม่ดีเห็นที่ไรก็งุนหิดอันนี้ก็เรียกว่าตั้งสัญญาไว้ผิดเราสามารถมองเขาทําให้เป็นเลขคำสัญญาได้ไหมอ่ะต้องมองให้เป็นเลขคำสัญญามองยังไงขอให้กระแสชีวิตนี้ ไปเกิดเป็นมนุษย์คือแล้วก็พ้นทุกข์โดยไว้ได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วพ้นทุกข์ดยว้แค่เราคิดอยากจะให้อให้เขาได้กินอาหารดูแลเขามันก็เป็นเลขธรมะคือการให้เป็นการสละใช่ไหมให้วัตถุทานให้สละความรู้สึกที่ไม่ยึดติดไม่ไปผูกพันมันก็เป็นเลขธรมะสัญญาหรืออย่างน้องอย่างที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่แต่ว่าไม่ใช่คิด คิดแล้วใจมันไม่เป็นกุศลนะไม่เป็นนะอย่างเออท่องได้อะท่องได้ขอให้เขาไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้เขาพ้นทุกข์เหลืองมันนะแต่ใจเราไม่ได้แช่ม ช, ชื่นอะไรหรอกเคยเป็นไหมไอ้อย่างเงี้ยไม่เรียกเนี่กรรมะเนี่กรรมะสัญญาในะจิตมันน้อมออกแล้วมันเห็นจริงๆเห็นเห็นโทษที่เขาเกิดอย่างนั้นจริงๆเลยนะเออถ้าอย่างนั้นมันเป็นมันมนึงจะเป็นนี่กรรมะสัญญา เออมันจ oh, ึงจะเป็นเนกขมาถ้ายังเห็นว kind of <int Tab on grandpa> ่าโอ้เขาก็น่าขอให้เขาไปเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ใจเราก็เครียดเห็นเขาก็ไม่เฉยเฉยองนี้อันนี้มันเป็นเนกขมามันใจมันต้องรอการพูดออไปแต่ว่าใจข้างในเราไม่ได้หยุดมีสีเบิกบานหรือว่าใช่ก็เหมือนยอมมีของให้เขามันให้แต่ข้างนอกมันสลัดแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่สละ เออข้างในมันมีข้อแม้เยอะเช่นจะให้อาหารกับพระเนี่ยมีข้อแม้ว่าต้องกินของฉันถ้าไม่กินฉันจะโกรธเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่สละข้างในมันถ้าสละจริงมันข้างในสละด้วยสละนอกสละในด้วยมันจะเป็นอย่างจากะหรือจะชัดเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าสละไปแล้วยังมีข้อแม้ยังมีข้อแม้อีกเยอะเลยเอีอ่ ของดีๆเราทำมาถวายแันไม่รักไม่กินนี่โกรธเคยไหม อ, อ๋อทำอาหารให้แม่แม่ไม่กินโกรธไห ม, ไมนั่นแหละอย่างนี้ก็เรียกไม่เป็นทานไม่เป็นจาค่าเลยแท้ที่จริงเนี่ยมันต้องสละแล้วก็ต้องบอกว่าแม่จะกินหรือไม่กินไม่เป็นไรเราชื่นใจที่ได้ทำกล้าบอกกับแม่แม่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ แต่ถ้ากินก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายถ้าไม่กินก็ก็ก็อยู่ที่แม่แม่มีสิทธิ์จะเลือกแต่หนูก็มีสิทธิ์ในการที่จะทําหนูมีความสุขในการที่จะทําจะสละจะให้ถึงแม่จะไม่กินโยนทิ้งหนูก็ชื่นใจที่ได้ทําถ้ายมวางใจได้อย่างนี้ถึงจะเป็นกุศลจัดยาให้แม่แม่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ แต่ถ้าแม่กินก็จะเป็นประโยชน์แก่แม่ถ้าไม่กินก็เรื่องอยู่ที่แม่แม่ก็เลือกวิธีทางเอาหนูก็ต้องดูแลแม่อยู่แล้วแต่หนูจะมีความสุขในการที่ได้ทําถ้าอย่างนี้มันจะชัดใช่ไหมตักน้ําให้แม่ทําอะไรให้แม่ดูแลปัดกวาดเช็ดถูแม่จะมาทําเลอะทำไรไม่เป็นไรหนูก็มีความสุขที่ได้ทํำแม่จะพูดแล้วพูดอีกบ่นแล้วบทอีกก็เรื่องของแม่แต่หนูก็มีความสุขในการที่ได้ทําสิ่งดีๆให้กับแม่มันสุขที่ได้ให้ได้สละ แต่มันจะไม่กังวลใดๆเลยเมื่อคนนั้นไม่ทําตามที่เราประสงค์นั้นนะคือมันจะตั้งความตั้งไว้ที่ว่าเห็นการกระทําของตนเองเห็นกุศลที่เกิดขึ้นในตนเห็นการพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและทัศนาความเห็นของตนเองที่มันปร่งโล่งมากขึ้นการปฏิบัติธรรมมันเกิดขึ้นแบบมันไม่ใช่จากัดว่าฉันอุตส่าห์ทำทำให้ไม่เห็นคุณค่าที่ อย่างเี้ยเขาเรียกปฏิบัติทำไม่ถูกล่ะเคยเป็นไหมล่ะแบบนี้แต่ไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยนะไม่ใช่ไปปล่อยละป่าละเลยนะั่ก็คนขาดสติคนคนฟันฟ่นเฟือนลือนหลงใช่ไหมแต่ไม่ทำอะไรสะอาดทำอะไรดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทุก ข, ขั้นตอนในการทำ แม่จะเอะอะโวยวายยังไงอกอ็แบบนี้ปัญหาได้ๆรับได้ปฏิบัติกับแม่ได้อย่างติดต่อแลวต่อเน่แม่ไม่ชอบอย่างนี้ก็ยังไงอยากน้องอยากทำอะไรแม่กินอาหารที่ไม่ถูกแต่ที่หมอก็ห้ามก็ไน่เป็นแล้วใช่ไหมก็บอกแม่ว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นสถานการณ์อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะหนูไม่ช่วยแม่ได้นะช่วยได้แต่ข้างนอก แต่โรคภัยไข้เจ็บที่แม่เป็นหนูไม่สามารถไปช่วยไปควกักไปดึงออกมาได้นะแม่นะแม่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นถ้าไม่ยอมรับก็เรื่องแต่แม่แล้วแต่แม่หนูก็บอกแล้วหนูมีความสุขที่ได้บอกใช่ไหมทั้งนี้ชัดไหมเอออย่างเนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อวานก็บอกแล้วเพ <laughs> <laughs> นนี้ทําไมทําอย่างนี้อีกอันนี้ก็เป็นนะอันนี้ก็เรื ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นพุทธบริษัทที่ดีในการดูแลแม่แต่พุทธบริษัทที่ดีในการที่ดูแลแม่้วางท่าทีทางใจไว้ก่อนรู้หมดอ่านขาดอ่านสถานการณ์ขาดคนแก่เป็นยังไงเลอะเลือนยังไงรู้หมดแล้วเราจะต้องไปเจอสถานการณ์อะไเจอปัญหาอะไรอุปสรรคใดๆใช่ไหมรู้หมดอย่างสมมติน่ะเหมือนท่านนายอยู่กับ อาจ า, จารย์อยู่กับท่านนะเนี่ยมันอ่านขาดหมดนะถ้าคนมีปัญญาเขารู้แล้วว่าท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไงมีพฤติกรรมอย่างไงมีกระบวนการความคิดอย่างไงลักษณะอย่างนี้จะเป็นยังไงไรู้หมดแล้วก็วางท่าทีทางใจว่าอ๋อใช่ไหมท่านจะทําอะไรจะเป็นอะไรก็เราก็บอกเรามีหน้าที่บอกใช่ไหมเรามีหน้าที่บอกทางบอกวิธีการบอกวิธีคิดบอกอบอกับคุบาตรท่านอาจจะปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างอะไเป็นเรื่องของท่านแล้วไม่ไปจับ กันเฮ้ยอย่างนี้สิเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจริงอะไรอย่างนี้อาการนี้ถ้าทำอย่างนี้เป็นอิสระไหมเป็นที่ถ้าทำแบบนี้ก็เลยอิสระจิตใจเราเป็นอิสระถ้าไปทำอย่างที่ยอมทำไม่เป็นอิสระทำแล้วมันยึดยึดทุกขั้นตอนใช่ไหมยึดแล้วทุกข์อีกทุกข์เลยเพราะยอมมีความว่าปรารถนา หรือมีความต้องการอยากให้แม่เป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาเขาเรียกว่ามองโลกและชีวิตไม่มองโลกและชีวิตตามตามที่มันเป็นแต่มองหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับมันตามใจที่เราอยากให้มันเป็นโอ้ทุกข์มากเลยเป็นทุกข์มากเลยมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราก็จะฝืนเนี่ยมันเป็นถ้าฝืนมันเป็น ก็เรียกอยู่อย่างขวางโลกยังขวางเลยแล้วมันมันฝืนได้ไงไปฝืนเหนื่อยเลยนีชีวิตที่ผ่านมาเหนื่อยมากเลยอ่ะเจ๊ะ่ะเราอยากให้มันเป็นบางเอิญมันได้บางครั้งมันได้เพราะเราไปแก้ที่เหตุปัจจัยถูกไงเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพอดีไปให้เหตุปัจจัยถูกมันเลยเป็นอย่างที่ใจอู้ชอบใจใหญ่เลยทีนี้ที่ไอ้ที่คิดว่าเราทําได้ที่ไหนได้เพราะเรา ให้เหตุปัจจัยถูกแล้วอยากให้มันเป็นยังไงก็ไปฉลาดที่ให้เหตุปจัจจัยที่ถ้าเหตุปัจจัยมันยังไม่พอ ม, ม, มันยังไม่บริบูรณ์มันก็ยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหแลวะปเด็มันอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ข อ, อยังมองเห็นนี่อย่างนี่ท่าน yeah. สัญญาสาคัญไหม รกายนี้เก็ให้รู้จักดูให้เป็นให้พอมันก็จะเหลือนาคำที่อบอกว่าเวทนาไม่ต้องทำอะไรเพราะเป็นผลมันก็จะมีสัญญาบสงางๆที่เราต้องให้มันเป็นู้สข์อูออกไหมคพระวิญญาณไม่ต้องทำอะไรจริงๆตัวคือคือประเด็นจริงๆก็คือทั้งหมดเหล่านี้เราควรต้องไปรู้เพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์ คนรอบรู้ควรรู้ทันทั้งหมดเหนี้คือทุกข์สัตว์ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นทุกข์สัตว์ใช่ไหมอุปาทานสังขานี่เป็นทุกข์สัตว์แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปหมั่นสร้างถ้าเราไม่รอบรู้ไม่รอบรู้ทีนี้ตัวสัญญามันเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นเ อ, อธรรมะที่ควรละด้วย是是ใช่ไหมเช่นอกุศลสัญญานี่ยมันต้องละนี้เนี่ยใช่ไหม กุศลสัญญาควรเจริญนี่คนเจริญและในขณะเดียวกันก็ควรรอบรู้มันด้วยสัญญาที่ธรรมดานี่สัญญาที่ยังไม่ซ้อนเสริมอะไรเนี่ยสัญญาที่เป็นสัญญาปกติมันก็เป็นทุกข์สัตว์ใช่ไหมล่ะถ้าสัญญาที่ไปเกี่ยวข้องกับตัณหามานาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นธรรมะที่ควรละควรประหารควรคาจัดสัญญาที่เป็นกุศลอันิี้จสัญญาอาสุภาสัญญาอนัตตสัญญาอาทีนาวสัญญา เป็นต้นเหล่านี้วิราข้าสัญญานิโรธสัญญาเนี่ยสัพโรเกอณพิริตาสัญญาทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นสัญญาที่ควรเจริญ จ, <c oughs> จริงไหมล่ะจริงใช่ไแต่ ท, ที่ที่อันนี้ที่อาารย์เคยเล่าถึงว่าคนที่ที่ไปติดตรงนี้แล้ว ย, ยึดเป็นจิตถิก็เลยฝ่าพันธะสัญญาใช่นะก็เลยต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่หลงล้ม ไปยึดอาสัญญา ừ ừ ừ แล้วเป็นทิสชีทที่ที่อาได้เห็นว่าเหตุอะไรที่ทําให้เราไปไปติดแล้วเราไม่พัฒนาเป็นปัญญาออกก็ก็ประเด็นคือความไม่รู้เนี่ยถ้าเรามองก็คือว่าหนึ่งเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความหลับทุกข์อะไรเป็นปฏิฎกทาข้อปฏิบัติให้เขากิดความหลับทุกข์ใช่ไหมเห็นสัญญาปุ๊บเราแยกไม่ออกแล้วใช่ไหม เราไม่รู้จักสัญญาว่าสัญญารูปสัญญาศรัทธาสัญญาขันธสัญญาราศาสัญญาผลิภัณฑ์สัญญาธรรมสัญญาจำในรูปเสียงกิริโผลิภัณฑ์และธรรมารมพื้นฐานต้นๆเลยจริงๆอันนี้เป็นทุกขสัจจญาณโดยตรวงมันเองเลยสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาขันธแต่สัญญาซ้อนเสริมขึ้นมานี่แหละที่เป็นปะปันจะสัญญาเนี่ยมันเกิดร่วมกับตัณหามานาทิฐิมันเกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะมันแท้จริงมันก็เลยกลายเป็นอกุศลไปด้วยใช่ไหม มันไปเกิดร่วมกันกันกบเขามันเลยต้องละต้องละแท้จริงตัวที่ละจริงๆมันไม่ตัวสัญญาหรอกตัวอากุศลนั่นแหละมันก็เลยไปเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรประหารควรละอันนี้จะสัญญาอสุภัสสัญญาอนาตัสัญญาทุกขสัญญาทั้งหลายเหล่านี้ยมันไปอยู่ในข้อมักนู่นน่ะมันควรเจริญนู่นน่ะใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันเลยเป็นประโยชน์เพื่อกูลว่าทําไมเราต้องจําเรื่องเหล่านี้ไว้มากๆ จำกุศลไม่เยอะๆจำเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความเป็นโรคเป็นหัวปีเป็นลูกศรความจําว่าสิ่งทั้งหลายไม่น่าเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่าเนี้เพราะจำแล้วมันเกื้อกูลต่อสติสติจะได้ดึงข้อมูลเหล่านี้มาให้ปัญญาควัวิจัยแยกแยะตรวจสอบจะได้เห็นความจริงเพอะเห็นความจริงแล้วเราจะได้ดําเนินมรรคปฏิปทาเพื่อสื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างชัดเจนนี้ใช่ไ้มล่ะขอมองเห็นไหม อย่างเช่นเนี่ยการมสัญญาเนี่ยเป็นอกุศลนะ <Okay. S 1> พยายาบาสัญญาเนี่ยจำแล้วเครียดกุ้มมีเยอะไหม mm hmm. ระหว่างการมสัญญากับพยาบาทบาสัญญาไหนมีมากกว่ากันอ mm ่ hmm. จาจำแล้วมันเพลินนะมันชื่นใจมันสุขใจมันทำให้เราติดติดมาตอนนี้ติดอะไรบ้าง <laughs> บางคนติดละครนะก็ถ้าต่างๆก็มีบ้างก็มีหลายอย่างกันบางคนก็ติดเพื่อนติดคุยติดเล่นบางคนก็ติดโอ้ยเพลินอยู่กับอะไรก็ไม่รู้วันๆนั้นน่ะติดหลายๆติดไงประกมสัญญามีไหมนายมีสัญญาเยอะไหมไม่นั่นแหละมาร์กเขาไว้เคือหมายเหล่านั้นแหละ เงหมายนำสู่อบายทุกขติวินิบาตในรอบคนี้จําไว้จําไว้ทำอะไรแล้วเป็นติมที่จะอยู่กับสิ่งงานหนึ่งทำเลิมแล้วก็จะอยู่งานอยู่ไปสักช่วงหนึ่งก็จะเกิดความเบื่่ายสัญญาวิจิตเป็นปัจจัยเกิดตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตเป็นปัจจัยเกิดกรรมวิจิตกรรมวิจิตก็ทําให้ได้อัตภาพที่วิจิตใช่ไหมโอ้โหวิจิตเยอะเลยไม่นําไปสู่ความพ้นทุกข์เลย ใช่ไหมนะนี่เราสัญญาตัวปั่นมากเลยปั่นเลือกแล้วปั่นใจเราวุ่นวายหมดโลกใบนี้ยแล้วก็จะสังเกตว่าโอ้ยสัญญานี่มีอิทธิพลมากปุงแต่งอะไรมากมายเหลือเกินเพื่อเป็นจิตสังขารปุงแต่งบางคนออกจากมันไม่ได้ใช่ไหมเคยสัญญาไว้ว่าเราจะไม่ลืมกัน <laughs> อ่ยากจะไม่ลืมกันถ้าเราไม่เคยรู้โทษ <c oughs> ไม่เคยรู้ว่าการที่เราไปมาอะไรไว้เนี่ย <c oughs> มันมีผลมาจนจนออกยาก <c oughs> ไม่เคยได้ข้อมูลอย่างเงี้ย <c oughs> มีสัญญาแยกการป็นมุสลอาุสล <c oughs> อัพการเศรษิดเนี่ยมันมีผลเสียยังไง มันงคนไปเจอหน้ากันโอ้โหวิ่งกอดกันเลยแล้วก็เล่าอาดีตใช่รักกันมากเล่าแล้วนักข้าวประกายเป็นคนตนักข้าเวลามันมันเจอก็จะคุยแต่เรื่องอดีตอดีตอดีตอดีตสัญญาณเยอะใช่ไหมหนักข้านักข้าวเหมือนยมแม่กับเพื่อนเนะี่ยแม่หูหนวก หูไม่ค่อยดีหูตึงแล้วตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เพื่อนเนี่ยตามองอะไรไม่เห็นแล้วแต่หูยังดีอยู่เขาก็มีสัญญานี่คิดถึงกันทุกวันเดือนเดือนก็ไปหากันไปหาไปใส่ก็ ม, มากมาตั้งอ็กินมาต่างค น, นต่าง ก, ก็คุยคุยคนอะไรเรื่องกันไม่ไม่ได้ยินนะอีกฝ่าก็ไม่ได้ยินอีกคนหนึ่งตางทุกคนก็คุยคุยกันไว้สักชั่วโมงเลยแล้วกลับก่อนเหละ นี่ดูสัญญามันมันมันปันมันปรุงแต่งดูบางทีปรุงแต่งเสมอเหมือนเหมือนเขาเขาเป็นเด็กเลยบางคนนะมีไอ้พวกพยาบาทสัญญาเขาไว้ใกล้ตายเนี่ยพอใกล้ตายขึ้นมาเนี่ย เ, เคยฆ่าหมูเคยฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ก็ทําอากัปกิริยาอย่างนั้นเลยสัญญามันจําได้ไงาบางทีสัญญามันลืมจยอะแยะ จำหมูได้ว่าหมูมันชักยังไงก็ทําอาการชักดินมันห ม, หมุนหมูนั่นแหละไก่ถูกเชื่ออย่างไรก็ชักอย่างนั้นมันจําได้ขนาดนั้นนี่เห็นเห็ น, น, น, น, นสัญญาณไหยมันปรุงแต่งจิตจนสําคัญว่าตนเองเป็นหมูไปแล้วตนเองเป็นเป็ดเป็นไก่ไปแล้วและกรรมน่านะัมันเลยปรุงแต่งทำให้ไปเกิดในอัตภาพถัดไปเคยเห็นไหมล่ะ เ, เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยไม่ไปเป็นไอ้พวกไอ ก็คงทรงเจ้าเข้าผีเลยหรือเป็นพวกไอ้หมอไอพ้พระปกเสกเล่ยันว่าถึงโอ้มันล้ำกันนะบางคนเป็นไก่บ้างเป็นเป็ดบ้างเป็นเสือบ้างวิ่งร้องมนยามปุงแต่งปุงแต่งกันไปต่างๆท่าท า, ทางไล่ล้ลำโอ้โหวิ่งไล่ล้ลำลยโอ้โหขนาดนั้นมันมันลืมตัวมไปหมดเคยเห็นไหมล่ะเคยเป็นเคยเป็นเลยใช่ไหม มันออกมาหมดเลยออกมาเป็นท่าทางนั่นเองทำชิ้นกลมก็จะเป็นแต่เราไม่เห็นว่าเราเป็นอะไ ร, รนั่นแหละสัญญาเพื่นเป็นสัญญาใช่ไหมเราจำไว้จำมันไม่ใช่ที่เราเห็นในชาตินี้รู้เันสัญญาจริงๆมันไปมันทีมันผนวกผสมผ<ช>สมอะไรเยอะแยะหมด oh แล้วก็มาปนเปย์หมดก็นั่นแหละสัญญารวมๆแบบมึนๆงงๆนั่นแหละเป็นอกุศลสัญญานั่นแหละมันก็จำแบบไม่รู้ แล้วก็ออกท่าทางออกมาเลยนี้นั่นแหละก็สุดยอดวิชากันสัญญาก็เป็นงั้นเรื่องสัญญามันวิจิตมันพวกอากุศลสัญญามันก็มาจากเอาวิชาหรือความไม่รู้มันไปนจำอะไรมากมายเยอะแยะออเหมือนแบบเสร็จมากมันก็ฝัง ไว้ในใจพอมันระเบิดออกมาแต่ละครั้งไปปล่อยให้มันออกมาแต่ละครั้งมันก็ไปของมันอะไรแต่เนี้ยไปแบบลืมเนี้ยลืมตัวไปเลยว่านขาสดสติสัพยัญญาจะตั้งใจจะทําให้เป็นไรนะแล้วต้องการจะออกตั้งใจจะทำเป็นไรเนี่ย ต, ตั้งใจจะออกกําลังกายก็ว่าเลยออกกําลังกายส่วนไหนก็ต้องรู้ด้วย เริ่องเข้าใจคำวลาสัญญาที่ยังเข้าใจยังสัญญ า, า, ญญานั้นคนแต่ละคนก็จะมีจำหมายแต่สิ่งที่ควรจำควรจำพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจจำาพ ร, รัตนไ์ไตรแม้ในเกิดในอัตภาพใดขอให้อย่าได้ลืมกับพระรัตนไ์ไตรขอยจำไว้ให้อยู่ในห้วงลึกของพระใจ อุทานร้องออกมาครั้งแรกให้ร้องคําว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆให้ร้องออกมางี้ยไม่ใช่ร้องแงออกมาเนี้ยให้ร้องออกมาเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ออกมาโอ้โหอย่างนี้ไม่ธรรมดาเนี้ยใช่ไหมทำได้ไหมล่ะอุทานออกมานี่ร้องเรียกพระาราชนตรัยเลยขนาดนี้นได้ยังได้ขนาดนั้นนี่แสดงว่ายังสัญญาอยังไม่มั่นคง ต้องทำทีละสัญญาพธาธาัฒนาต้องมีสัญญาที่มั่นคงในพัฒนาไตรไว้นั่นก็ไปเซ็นสัญญาไว้เซ็นสัญญาไว้กับพัฒนาไตรไ<ว>จะไม่ขอคลากจากพัฒนไตรยอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งอนุ ป, ปาทาปริีาน ต, ต, ตั้งจิตตั้งจิตะที่ฐาน แ, แล้วก็เริ่มิในส่วนว่ายัไงไงก็ ตต่้องบอกให้แนบชิดติดกับพระราตนาไตรด้วยยอมให้แนบชิดติดกับพระราธนาไตรถ้าถามว่าถ้ายแนบชิดติดกับพระราธนาไตรัยยอมเห็นมองไปที่พัดลมเนี่ยแล้วยอมเห็นเห็นเห็นพาราธนาไตรในพัดลมมไหม ไม่เห็นน่าเห็นหมเห็นพาราธาไนไตรมีในวัดลมไหมไม่เห็นอย่างนี้เรียกไม่ฝังไม่ฝังพาราธาไนไตรมันให้ความเย็นลดความร้อนเหมือนธรรมะในให้ใครที่แกอย่างนั้นมันก็ยังได้ใช่ไหมเพราะว่าอมันยังเกี่ยวพันกับพาราธาไนไตร เกี่ยวข้องกับอะไรมันมีพระรัตนตรัเข้ามาผูกพันในใจเราได้ทุกเรื่องมันก็คือขึ้นอยู่กับเราฉลาดปรุงก็มันจําได้ไงมันจําได้ว่าพอเห็นสิ่งนี้ปุ๊บแล้วลึกถึงพระรัตนตรัยได้ลึกถึงพระเจ้าได้ว่าทําได้ประสงค์ได้ลึกถึงธรรมะได้ใช่ไหมเห็นอะไรทุกอย่างไงพระรัตนตรัยวับขึ้นมาก่อนวับขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยเพราะอะไรสัญญาณจําไว้หมดแล้วแล้วก็ไตรตรองไว้หมดพุ้งันที่ิตไว้หมดทุกเรื่องเลย ปลอดภัยไหมคนเว้นปลอดภัยสิไม่ว่าเกี่ยวกับข้องอะไรเนี่ยพระทันตายเสียงนกร้องก็โอ้ประทันตายเด่นยิ่งเล ย, เยใช่ไหมได้ขนาดนั้นนี่ยังทําไมไม่ทําทําไมไม่ทำํำเพราะทำยังไงเลืยกตัวอย่างนะจ๊ะพังค์ทำท่าจานแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็จะดิ้นแล้วเราก็มอง ถ้าเราไม่ตั้งสติดีๆมันจะเกิดอาการขัดเกือ mm hmm. นกับเสียงที่ mm hmm. รบ ก, กวน mm hmm. แล้วก็คิดว่าเราจะคิดเยันไงดีๆที่ให้นะ้ำน mm ั hmm. ่งแล้วเราก็เลยคิดคิดว่าก็เขามาให้เราได้ฝึกฐานิติบาาลีว่าเราไม่ ว, ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะตั้งใจฟังทํ า, าโดยไม่ขัดเกลื่อนลองตั้งใจ <c oughs> อภัยท า, านกับทุ้คน mm hmm. แล้วตั้งใจแบบนี้ยจะเป็นถ้าถ้าตอนนั้นจิตเป็นกุศลได้ทั้งนั้นคือพอคิดได้ว่าเราทำสันติบาลานุความตึงมันเบามลดได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเวลาคิดได้ทันทีเลวลาเสียงนกร้องแล้วขัดเคืองบางครั้งก็มีถ้าเราตั้งใจฟังว่าเสียงนกมันดงงั ง, เ, ง, งเสียงนกร้องเสียงสัตว์ร้องเสียงจิ้งหรีดร้องเยอะมากไม่ค่อยมีอิทธิพลกับมนุษย์ แต่เสียงอะไรถ้ามันเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมีอิทธิพลเพราะอะไรเพราะมนุษย์ไปยึดยึดในบุคคลมากกว่ายึดสัตว์โดยสารไปยึดในบุคคลมากกว่าเพราะเสียงมอเตอร์ไซค์มันมานึกถึงคนขับแต่เสียงมอเตอร์ไซค์มันไม่ดังตัวมันเองแล้วมันมีคนไปทำมันดังมันเลยขัดเคืองที่คนในเรื่องกับคนนี่มันขัดเคืองได้ง่ายเพราะอุปาทาน นัขันอุกการไปยึดมั่นหรือมั่นเราไปยึดมั่นกับมนุษย์มากกว่าเ้าเรียกว่ามันเด่นมากกว่าอารมณ์นี้มันเด่นมากกว่าทีนกเนี่ยเราไปให้สัญญาไว้ว่ามันมันงามมันดีไงมากจะไปใช่ไหมเราไปให้สัญญาไว้อย่างนั้นแต่คนเนี่ยเราตั้งท่าไว้หลายอย่างคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเราแยกแต่ท่านนกอะ่ะชอบตั้งกรรมว่าสัญญาไว้ชอบก็เลยเพลินกับมันก็เลยไม่ค่อยมีอิทธิพลกระใจายเรา ท่านท่านยึดได้นะพระอาจารย์เคยสอนว่าได้ยินเสียงนกไหมเกาบอกว่าจริงๆแล้วนกมันพูดภาษานกมันจะสื่ออะไรกับเรานกนบอกว่าท่านนายจงดูเราเอาไว้ก็คือว่าแต่ก่อนเราก็เคยเป็นพระพาราชามหากษัตริย์แต่ดูอย่างวันนี้เราสิเราเราต้องมาใช like ้อัตภาพชีวิตเป็นมันนกเป็นเป็นเหมือนนกเนี่ยแม้ถ้าท่านยัง ยังทําแบบเราท่านก็ท่านยังทําแบบเราท่านยังประมาทอยู่ท่านก็จะเป็นอย่างเราเนี่ยแหละไม่ต่างกันจริงๆบางทีก็นึกได้นะครับแต่ว่าเพราะเรามาร์ฟสัญญาไว้น้อยไปใช่ครับแต่เราตั้งสัญญาเข้าไว้อย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าเคยมีนัดไหมนัดว่าจะกินเลี้ยงนัดว่าจะไปพบคนนั้นคนเนี้ยโดยมากจําได้หรือลืมเพราะอะไร ความรู้สึกรมือนคืออยากและไม่อยากจะทําให้คนที่นัดเราผิดวังเราคิดเราคิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆใช่ไหมแต่อยากคิดว่าอย่าลืมนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละนั่นแห ล, ละคือสัญญามาร์คสัญญาไว้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็เลยไม่ลืมเลยแตเนี้ยลองตั้งสัญญาที่พอลืมตาตื่นต้องตั้งใหม่สิแต่เนี้ยวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นลองมาร์คสัญญาไว้ดิ ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเรานัดใครไว้นะ่ะโอ้โหไม่ว่าจะพบเจอคนสัตว์สิ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายจะเจอสิ่งอะไรจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้กุศลความดีเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ทานกุศลเกิดขึ้นสิน่งกุศลภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นลองมาร์คเครื่องหมายแบบนี้ไว้สิใช่ไหมแล้วไม่ลืมอ่ะเหมือนเรานัดแน่ใครอะเหมือนงานสําคัญเหมือนงานใหญ่โตงานสําคัญที่สุดและอันนี้มันสำคัญกว่าทุกงานนะใช่ไหมถ้าทําสัญญาไว้อย่างเงี้ย ไม่เหลือสองสัมทับไว้อีกถาบาทอากุศลเกิดขึ้นราคาโทรศโมหะเกิดขึ้นทุจร็จเกิดขึ้นจะละให้เร็วที่สุดเหมือนอุจจาระกระเด็นติดหน้าผากจะรีบล้างทิ้งอย่างรวดเร็วเวลาบาปมันเกิดขึ้นก็จะเร่งรีบละอย่างรวดเร็วมองออกไหมตั้งเนี้ยไม่เหลือเอา้าถ้ายังไม่มั่นใจตั้งใหม่ต่อบอกว่าจะฝึกจิตของตอนเองให้คุ้นเคยกับกุศลความดีหมายความว่าจิต ที่ผ่านมามันคุ้นเคยกับโลภะโทสะโมหะบอกไม่เอาต่อไปฉันจะฝึกดัดจิตฝึกจิตให้คุ้นเคยกับสติมาคุ้นเคยกับศรัทธามาคุ้นเคยกับความเพียรมาคุ้นเคยกับขันติมาคุ้นเคยกับสมาธิมาคุ้นเคยกับเมตตามาคุ้นเคยกับกรุณาคุ้นเคยกับมุทิตาคุ้นเคยกับเบกขามันคุ้นเคยกับความเพียรคุ้นเคยกับปัญญาให้มาคุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวฉันจิตกับปัญญาจิตกับวิริยะจิตกับขันติอะไรมันเป็นอันเป็นเนื้อเดียวกันได้ฝึกมันคุ้นเคย แต่ก่อนมันคุ้นเคยคารโอพาตุสสามโมหะมันเบเรลามาก็ฝึกที่ให้มันคุ้นเคยกับฝ่ายนี้เสียก็มันมันคุ้นเคยเห็นเมตตาเอ้ยเมตตาอยู่ด้วยกันนะเจ้าไหมก็ฝึกเอ้ยเอามาหล่อเลี้ยงใจเจ้าไหมโอ้เนี่ยเมตตาต่อไปต่อไปคิดปุ๊บให้เมตตาเกิดเลยนะเห็นไหมคิดไปเออคิดถึงคนนันเอ้ยไม่มาเมตตามาด้วยมาด้วยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกอยู่ด้วยกันนะ คิดถึงเขาเอ้ยเมตตาไม่มาไปเอาไปด้วยกันไปด้วยกันที่กรุณาไปไหนมาที่มาที่คันติไปไหนฝึกให้มันคุ้นเคยก็ลงรายละเอียดกับมันสิก็ไปทํามันฝึกกับมันแค่นี้แหละเข้ายจยังคราว่าฝึกเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งเออนั่งเฉยๆอยู่งั้นแหละไม่ยอมฝึกสทัทีใช่ไหมเป็นแต่ตัวเลขเป็นแต่หนังสือไม่เอาฝึกอย่างเงี้ยเวลามองใจมันขาดเมตตาใจมันเฉยๆไม่เอาอยู่กับโมหะไม่เอาอยู่กับปัญญาสิปัญญามานี่ปัญญามานี่เดี๋ยววิจัยหน่อ ใช่ไหมสติกลับมาขึ้นมาเนี่ยฝึกให้มันคุ้นเคยเอาจริงเอาจังกับการฝึกอย่างเงี้ยไม่เห็นต้องไปทําอะไรเลยก็แค่ฝึกแค่นี้แหละมันก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ก่อนนะ่ะให้ทําอะไรนะ่ะทําอะไรเนะดี๋ยวมันจะเล่นมันจะเป็นมันจะไปกับทางโลภะเทาสาวสัมมุหะเราไปทําความคุ้นเคยกับมันนึ่งเราก็ไม่เอาสิแต่นี้ก็มาคุ้นเคยกับกับความดีซะทิทําได้ไหมทำได้พญาก็ก็ฝึ ก, ก<ด>ทํา ฝึกให้มันคล่องทีอย่นี้ไม่ยอมฝึกเลยใช่ไหมปล่อยวันเวลาผ่านไปหายใ่ทิ้งไปโอ้หน่าเสียใจถ้าฝึกมันได้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ยากเลยตอนนี้เจอพระพระพูดต้งวปรู้เท่าไหร่จะกลับไปที่เดิมอยู่เรื่อยเลยพระก็จะดึงมาทั้งกุศลเนี่ยเราก็จะไปทั้งอกุศลใช่ไหมะ่ะพระดึงตั้งหลายรอบแล้วไม่มาส <c oughs> ักทีมันจะไปอยู่เรื่ อ, เอเยเลยเพราะอะไรเนี่ยจริงไหมแล้วก็ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เกี่ยวข้องกับพระราตนตรยัยเอาพระราตนตรัยมาอยู่ในสิ่งเวดล้อมมองไปทางไหนพุทธเจ้าพราะพรหมพระสงฆ์อยู่แวดวงพระราชนทรยัยมองไปต้นไม้ก็มีพระราชนตรยัยใช่ไหมเวลาจะโกรธใครปุ๊บพระพุทธเมตตาขวางปุ๊บมาแทนโหโอยโกรธไหมล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ บ, บ, บ, บมาทันทีทําท่าจะโกรธใครเกลียดใครกําหนดใครปุ๊บ พูดเมตตาลอยฟุ๊บขวางอ๋อสาธุเรามานี่ <c oughs> พอแล้ต่มองเห็นไหมมองไปที่ไหนไม่เห็นจะไม่ต้องไปโกรธเลยเลยมาฟุ๊บฟๆฟ๊บมาหมดใช่ไหมทำได้ไหมละ่ะแค่นี้แหละันก็จะได้ก็ปลอดภัยแล้วชีวิตแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ปลอด ที่จริงการเจริญกุศลมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่มันขาดวิธีการขาดอุบายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเหมือบางทีเหมือนพ่อแม่สมัยเด็กๆเวลาเราทำอะไรผิดพ่อแม่ก็ามาก็ตีอย่าทำอย่าทาอย่างนี จำไว้จำไว้ไอ้เราก็นึกเอ๊ะจำอะไรวะงงบอกจำไว้จำไว้ใช่ไหมเพราะพ่อแม่ไม่เคยบอกเหตุบอกผลยันเป็นคนดื้อนี่เด็กเด็กๆพ่อแม่ยังจชอบตียันเลยเลยแล้วก็บอกจำไว้จำไว้ยันก็มันน่างงม่าจำอะไรพอไปแล้วตีเสร็จไปแล้วไอ้เรานี่ง ง, งว่าจำอะไรวะเฮ้ยมผิดตรงไหนว่าเราไปวิ่งเล่นเงนี้ยมันผิดตรงไหนอ่ะใช่ไหมอือข้ามวิ่งเลยเลยเด็กมันงงไ ง, ง, ง, ง, ง, งไม่บอกอ ร, รายละเอียดมันเด็กว่าเออไปวิ่งเล่นเนี่ย ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะล้มอย่างเงี้ยแต่เราก็มั่นใจว่าเราไม่ล้มใช่ไหมเราก็วิ่งเล่นฝนตกเลยก็ออกไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมันสนุกมันเลยเนีออกมามาตีจำไว้จำไว้เดี๋ยวเราจำอะไรก็งงเแม่ไม่รู้เรื่องไงใช่หมเดี๋ยวเราก็เออเราก็หงงว่าวิ่งตากฝนเป็นความผิดหวังเฮ้ยมันแต่เราเนื้ว่ามันแข็งแรงไงที่วิ่งตากฝนตากแดดเนี่ยนะเนื้อว่แข็งแรงนี่ แต่แม่พ่อแม่เอยพ่อมาตีจําไว้จําไว้อย่าไปวิ่งไอเรางงเล ย, ยวิ่งไม่ได้วยงานนี้ก็จะทําไงเมอไงนี่ก็เลยรอนให้ดีฉันก็เลยจําไว้ว่าต่อไปแล้วบอกอะไรใครบอกอรายละเอียดเขาทุกใช่ไหมงงไหมเพื่อใครงงในชีวิตแบบนี้นะ แสดงว่าฉันสติปัญญาไม่ค่อยดี <c oughs> ฉ, ฉันนึก ง, งงจังไเขาไม่ค่อยได้ถูกตีตีคือเขาก็จะบอกอั น, นั้นเราก็จะรู้ว่าเอออ น, นี้ิอะไรคือเขาก็จะบอกว่าอ น, นิอะไรแต่จะไม่ได้ตีแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆปล่อยให้งแต่ว่าไม่ได้ถูกตีบ่อยมีอะไรจะถามอีกไหม ชัดเจนไหมชัดเจนมากนะคะการใช้ควรมากมันง่ายที่จะทำมากมันไม่เคยเห็นว่ามันทำได้ใช่ใช่กับการที่จะเริ่มช่างสัญญาแล้วก็จะได้เป็นฐานของสกิวอันนี้ถ้ามันมีเรื่องให้เราเักได้เยอะเวลาที่เรานั่ง เราก็มีเรื่องที่จะให้ควรกับกุศลได้พอกุศลได้กุศ ล, ลมามันก็สปีกมันก็เกิดคือมันเห็นแนวทางนะคะพอพอเรามีเรื่องของให้เรื่องเพื่อนกุศลเยอะสติมาสติมาเสร็จแล้วมันก็เป็นปีกปีกปัสสาวมันก็ต่อไปถึงสมาธิม<ะ>ันก็เลยเห็นาเส้นทางมันไม่ยากมันไม่เห็นว่ามันต่อเสน <S <S ้นนายากไหมทําได้ไหมตอนนี้ เออเห็นช่องทางทำได้อยช่ไหมมีโอกาสทํามากกว่าโยมไงท่านมีโอกาสมากกว่าโยมเยอะใช่ไหมล่ะมีโอกาสอีกเยอะมากท่านมาร์คเครื่องหมายอะไรได้เยอะมากเป็นกุศลสัญญาได้เยอะหมดเลยรูปจะสีมาก็มาร์คเครื่องหมายสีให้เป็นกุศลเสียงมาก็มาร์คเครื่องหมายเสียงให้เป็นกุศลสัญญาไว้กลิ่นมารสมาสัมผัสมาผัววัฒน์ทำอารมณ์บุคคลใดทั้งหลายเนี่ยมาร์คเป็นกุศลที่หมดที่เราเกี่ยวข้องที่เราผ่านมาทั้งหมดมาร์คมามากเครื่องหมายก็ไว้ ให้เป็นกุศลสัญญาเราลือกไปบอกไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลความดีเท่านั้นเกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นละให้เร็วที่สุดแล้วก็จะฝึกกิตให้คุ้นเคยกับความดีออกจากความไม่ดีให้ได้แล้วก็มีพระราชณัฏยแวดลอ้อมท่านจำสี่คำนี้ท่านจเจริญกุศลได้ตลอดทั้งวันท่านทําได้ใช่ไหมมองพอจะเกิดกําหนัดยินดีปุ๊บ ปุ๊บพระพุทธเมตตาบอกว่าโอ้โหไม่ได้จะโกรธก็โกรธไม่ได้จะกําหนัดก็กําหนัดไม่ได้ขัดเครืองก็ขัดเครืองไม่ได้จะหลงก็หลงไม่ได้จะมาจะมัวเมาก็ไม่ได้โอ้พระเจ้ามาอยู่ต่อหน้าเราเลยโอ้พุทธโลกเกอานาคตวุมอิทัตตาคตุโลกเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วไปเลยเนี่กุศลเกิดทันทีเพราะวิ่งพุดธพุทพุทธมาหมดเลย ไปดูมาแล้วไปถ่ายทำมาแล้วไปอะไรเยอะแยะเห็นนั่งตัดต่อแกะแกะแกะเกุศลสัญญาไม่เข้ามาบาง้งหรือใช่ไหมน่าจะได้กุศลสัญญาอุ้ยเราจะมาร์กเขาไว้จะมาร์กกุศลสัญญาไว้เสียงเอ่ยอะไรเอ่ยดนตรีเอ่ยต่างๆมาร์กให้มันหมดเลยไปที่ไหนก็ปุ๊บปุ๊บปโหมีแต่กุศลลอบไปหมดเลยจะทำเป็นใช่ไหมล่ะเหยียดทำแค่ข้างนอกดิเห็มันทําข้างในด้วย <c oughs> ทําข้างในเนี่ยในใจเราเนี่ยทากุศลสัญญามาร์กเขาไว้หมดแล้วถามว่ากิเลสจะมีช่องไหม ไม่มีเลยแต่เนี้ยท้าได้เลยแต่เนี้เชิญเลยครับ<ม>เชิญเข้ามาเลยโกรกเมนต์ตีรังกายยังไงมันก็ไม่เข้ามานะมันไม่มีที่เข้าเลยนะบาปมันจะเข้ามายัางไง<ม>เขาเรียกว่ามีแผนป้องกันระดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขนาดมันเข้ามาขั้นที่สามยังมีแผนฉุกเฉินหนีมันได้ด้วย<ม> <laughs> อย่างนี้ระบบฉุกเฉินหนีมันได้อีก็จับตัวเราไม่ได้เสร็จ <laughs> เออมันขนาดนั้น รอดไหมแบบเนี้ยเ <laughs> ทั้งนี้รอดปลอดภัยได้บหรืมีทุกขั้นตอนวังนั่นเองไม่ใช่อยู่อย่างมนึนมึนงงงแบบไม่ได้วางแผนชีวิตเลยใช่ไหม ล, <laughs> ล่ะเราอยู่กันเหมือนไม่เหมือนไม่อยู่ในสมองระพุมลบยังไงก็ไม่รู้พวกเราเราคิดอย่างนั้นหรือแท้จริงมันคือสมรสมระพุมลบนะกับข่าศึกศัตรูเนี่ยใช่ไหมละ่ะแล้วไม่อยู่กันอย่างเพลินเิได้ยังไงในชีวิต คือบางเวลามันเห็นว mm ่าเราอยู Ay, ải, mm ่ในทุ่งระเบิดท mm ุก hmm. ย่างก้าวมันเป็นทุ่ระเบิดแต่บางเวลาไอ้ระเบิดปันหายไปมันยังมีไอ้ช่วงเวลาที่แบบว่าเอ้าถ้าไม่งั้นทุกย่างก้าวถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เราจะระมัดระวังทุกย่างก้าวแต่มันมีบางเวลา มันหายไปแล้วสัญญาสัญญาคุูสสัญญามันหายไปมาร์คไม่มั่นคงสัญญาไม่มั่นค ง, งเลยไม่เป็นเหตุใกล้ของสติให้เส้นทางนี้มันก็เลยเป็นจุดมันยังไม่เป็นเส้น เวลาคนที่เขาเนี่ยตรงเนี้ยยอมต้องกลับไปฟังในวิทยุให้หลายๆรอบฟังแล้วฟังอีกแล้วเวลามาคุยกันแล้วมันจะสนุกอันที่แม่ไม่จะเป็นรุ่นเก่าต้องเอาไปฟังแล้วโยมจะได้มีความรู้สึกโอ้ใช่ไหมถ้าคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะมีความสึก ถ้คุยคนละเรื่องแล้วเหมือนงงใช่ไหมนั่นตรงนี้พยายามคุยการที่จะคุยกันให้มันสนุกได้เขาเรียกว่าเหมือนคนละลึกชาติได้กันเลยลึกชาติไม่ได้ไม่ค่อยจะคุยอะ่ะยงอีกคนหนึ่งระลึกได้คนหนึ่งระลึกอีกคนหนึ่งเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นนาซรกายอีกคนนึงไม่เห็นคุยกันรู้เรื่องไหมไม่รู้คนเห็นผิดกับคนเห็นถูกคุยคนละเรื่อง มองเห็นนี่อย่างมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันจะยังความบันเทิงให้แก่กันและกันไม่ได้ถ้ามันรู้ต่อรู้เนี่ยคุยกันกเนี่ยโอเคถ้าไม่รู้มาฟังเพื่เกิดความรู้เมื่อรู้เบียดเสร็จแล้วจะได้คุยกันรู้เรื่องมันจะได้เดินกุศลได้ไม่เดินคือตรงนั้นทุกวันเนี่ยบางทีโอ้โหพาก็ไปยาำลงไปไม่รู้เท่าไหร่เลยยอมกันหนีเลยหนีเลยเอาละเจแต่เนี้ย ยอมก็ไปขยมพระก็ไปของพระอยู่ใช่ไหมละ่ะเลยคุยกันวัลภาษาเลยก็เลยเอ้าอย่าคุยกันเลยเจอหน้ากันก็ <c oughs> สัพพีติโยยิวัตชันตุสัพพะโรโขวินานาจบไปต่างคนต่างไปสาธุยอมก็ไปของยอมพระก็ไปของพระแยกกันอยู่ไปเลยตอนนี้อย่าคุยภาษาเดียวกันเลยว่างั้นคุยวัลภาษาดีกว่าอะายอมมาไม่อยากไม่ไม่รู้เรื่องเก็ยอมเอาภาษาบาลีไปไม่ต้องรู้เรื่องแล้วมืนไปทั้งโลกก็แล้วกันมืนไป คุยแบบนี้ไม่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเ อ, เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขังนายยมดีขังดีเอาน้ํามนต์หน่อยแต่งานะจะมีถ้าไม่สกใจเดี๋ยวเ อ, เ, อเอาพักเครื่องไปเดีจ <c oughs> ้าพ ร, พระพุทธเจ้าชักไม่ได้แล้วเอาโลกเกจีเลยเดี๋ยวนี้ข้าเข้ า, า, เ, ขาเป็นอาจรียาว่าไปเลยเจอหนะแล้วเรขอวัดสุนทรภูมิไนเกินไหม คำว่าอาจริยว่ามันชัดเห็นชัดนยังจะ น, นี้ชัดใช่ไหมเราจะได้เข้าใจจริงๆโอวการที่ไม่สามารถเชื่อมถึงพระธรามต้องเชื่อมบ่อยๆด้วยนะขนาดเชื่อมบ่อยๆยังจะเป็นอาจริยว่าอยู่เลย <c oughs> ต้องเชื่อมและที่อาจารย์น่เต็มประเทศไท ย, ย <c oughs> แต่เราก็ถ้าไม่ชี้คนก็จะไม่เข้าใจ ชี้ใหม่ๆไม่ได้เลยจะแตกคอกันเลยถ้าชี้หลังเข้าใจธรรมะแล้วต้งชี้มันจะได้เห็นว่าตอนนี้พวกเรากําลังจะหลุดจากพระทาษฎหน้าตรัยกันอยู่เลยบางคนจะหลุดจากพระาราษฎร์เกาะขอะอาจารย์ไม่กะเข้าหลุดเลยอาจารย์หลุดเขาอีกทําไงอะไร่นี้ไปไม่ได้เลยพากันหลุดทั้งยวงเลยอะไ่นี้พอไปเกิดใหม่เป็นเจ้าลัตที ผมนี่เป็นเจ้าแล้วที่เราก็เป็นลูกน้องเจ้าแล้วที่โอ้เป็นก๊กเลยเทีนี้ก๊ชดินบ้างก๊กอะไรกันก๊กยศากุลาบุตรก็เลยไรกร๊ก ว, วิทยุเฉวีก๊กไครตัวโอ้เยอะแยะหมดเป็นก๊เต็มไปหมดโอ้โหสาวกเอาไม่อยู่ระดับพระศาสดาเท่านั้นระดับก๊กพวกนี้น่ะโอ้ข้อมูลเพียบหมดสะสมอะไรเยอะหมด ถ้าเราหลุดจากพระราชทาตายไปเป็นก๊กที่เราไปเข้าสมาคมด้วยเนี่ยไม่มีใครปวดเราได้ไม่ได้เพราะเราทิฏฐิมันกล้าจัดมันจะตามอาจารย์นี่เลยไปเพราะใจมันน้อมไปไงเพราะเราไปโอนเอ็น ไ, ไปหมดมแล้วเรากันไม่ได้ในขณะไปอยู่มันเพลินไงมันจะกันได้ ย, ไยังไงท่านมองถ้าไม่ถ้าไม่เจิงจริงเนี่ย ถ้าไปคนที่เจ๋งจริงๆไปอยู่แล้วไปเปลี่ยนเขาได้เลยนั่เปลี่ยนให้เขาถึงวรรณะ ต, ตายได้<อ>ถ้าไปเป็ถ้าอย่างเงี้ยเขาถึงบอกควรไปคนไปเป็นนถ้าส่งทา่านนายไปท่านนายสามารถเปลี่ยนให้เขาถึงวรรธะ ต, ตายเลยอย่างเงี้ยตามเขาไปเลย <c oughs> ถ้าอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นลูกน้องเขาถ้าอย่างเงี้ยชัดถ้่เงยชัดต้องขนาดนั้นอย่างพระพุทธเจ้าทรงสาษาภาษาลิบุตรพระโมกขลานะไปเปลี่ยนกลับเลยเงี้ย เยอมากมันจะเป็นอ่ากี่โมงแล้ว